อันพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนมิสุสมนเณรทั้งหลายที่รักวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องพันนางสา ม, มาวดีต่อแต่ว่าสาหรับวันนี้เข้าเรื่องพันนางสา ม, มาวดีจริงๆเป็นตอนเผาประศาสตร์เป็นควหมายความมาเข้าถึงตอนจบเรื่องแต่วันนี้คุณยังไม่จบ ในความตอนก่อนผมได้บอกไว้ว่าเมื่อสมเด็จตระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดทรามหาสศทธีทั้งสามตามปฏิญญาแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระปาททีแก้วก็ทรงพระเดชต่อไปแต่ว่าเรื่องราวยังค้างอยู่ย้อนถอยหลังกลับมาในสมัยที่องค์สมเด็จพระบ ร, รมครู ยังอยู่ในเมืองโกสัมพียังสงเคราะห์บรรดาท่านมหาเศรษฐีทั้งสามคือว่าท่านโคศกเศรษฐีหนึ่งอุกุตะเศรษฐีหนึ่งและก็ปาวาริกะเศรษฐีหนึ่งเพราะว่าท่านทั้งสามนี้ได้สร้างวิหารถวายสมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้า แต่วิหารที่เป็นโคศกเศรษฐีสั้นสวายชื่อว่าโคศกโคทิตารามแล้วก็วิหารที่ท่านกุกุตะเศรษฐีทวายชื่อกุกุตะกุกุตตารามถ้าท่านปาวปาวาริกาเศรษฐีทวายให้ชื่อว่าปาวาริกาปาวาริการามเอาชื่อจาของตั้ง ก็สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าสมรัทัพวีหารด้านหนึ่งวันเวียนกันไปวันไหนพักวีหารของบุคคลใดวันนั้นก็ทรงเระเด็จไปเป็นตำ บ, บาดประตูบ้านของบุคคลนั้นเพื่อเป็นการ ส, สนองศรัทธาั้นต่อมาในาในสมณมาาการ ซึ่งเป็นคนปฏิบัติท่านมหาเศรษฐีทั้งสามคือเป็นช่างดอกไม้ช่างสวนไม้คือเป็นคนปลูกสวนไม้เฝ้าสวนด้วยแล้วก็เป็นช่างดอกไม้ด้วยใจการหรือว่าเรื่องดอกไม้เขาเป็นหนึ่งได้ขอพอรจากท่านมหาเศรษฐีว่าผมน่ะบำรุงท่านมานานแล้วแล้วก็เวลานี้องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว กับบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายมาพร้อมกันห้าร้อยรูปผมเองก็เป็นคนมีศรัทธาอยากจะถวายทานในองค์สมเด็จพ ร, ร, ระสัมมาทัมรติเจ้าพร้อมบุตประสงค์ทั้งหมดห้ารอยรูปสักหนึ่งวันจะได้ไหมครับท่านมหาเสร็ถีก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรเรื่องศรัทธาในฉันดีใจที่เธอมีศรัทธา อนุญาตให้ท่านสมณมาราการถาวายในตามความประสงค์เมื่อในสมณมาราการได้รับอนุญาตแล้วจึงฉันจึงจัดพัตตาหารเพื่อองค์สมเด็จพระประัณฑิตแก้วและบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายนอกจากนั้นก็ได้จัดดอกไม้ไว้เป็นสวยสดุดงามเป็นกรณีพิเศษที่เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชา ตั้งใจว่าจะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระและพระอริยสงฆ์ให้เต็มศรัทธาสักทีเพราะตั้งแต่เกิดมาคำว่าพระพุทธเจ้านี้เพิงพ่งได้ยินแล้วก็ได้เห็นกับตาก็ปลื้มใจมากแต่ในเวลาตอนเช้าเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าพร้อรันประสงค์ยังไม่ได้สิ็จไป ก็เป็นการพลดีขาประจำคือนางคุตุตระาถ้าจะเรียกตารรมภาษาปัจจุบันก็ต้องเรียกว่านางสาวคูตุตระาซึ่งเป็นหญิงรับใช้ของบรรนางสามาวดีหญิงคนนี้เป็นคนหลังคอมเป็นชาววังคนเดียวที่บรรนางสามาวดีใช้ออกจากนอกวังได้ทั้งนี้พะอระรู้พระ ทุกคนมีความเข้าใจว่าหญิงหลังค่อมนี่ผู้ชายไม่พึงประสงค์จึงออกนอกรัวนอกวังได้ในขุตุตรายคนนี้เป็นคนซื้อดอกไม้ไประจาเพื่อให้บรรนางสามาวดีด้วยว่าพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอทรงโปรดพระจะทานเงินค่าดอกไม้ให้แก่บรรนางสามาวดีวันรับไปกระหายพนะั หนึ่งก็หัันนะเท่ากับสี่บาทถ้าคิดเป็นเงินไทยเท่ากับแปดตำลึงแปดตำลึงในเวลานั้นถ้าเทียบกับเงินเดี๋ยวนี้ก็เกือบหมื่นบาทเห็นจะได้ราคาประมาณหมื่นบาทวันนึงไม่น้อยเลยแต่ว่านางขุทุตราเวลาที่ไปซื้อดอกไม้เธอก็ปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างคนฉลาดในโลกทั้งหลาย นั่นก็คือเก็บภาษีหรือเก็บค่าเปอร์เซ็นีห้าสิบเปอร์เซน์เก็บใส่กระเป๋าเสี้ยววันละสี่ตำลึงและก็ซื้อถวายพันนางสามาวดีสี่ตำลึงเป็นน้นว่าเธอเป็นคนมีสัจจะดีมากนับแต่รับหน้าที่สีดอกไม้มาไม่เคยมีวันไหนที่ซื้อเกินวันละสี่ตำลึงเลย แล้วก็เคยก็ไม่เคยเก็บไว้วันนั้นม้อยกว่าสี่ตำลึงเหมือนกันถือว่าเป็นคนที่มีสัจจะดีมากเอวันนั้นพอไปถึงบ้านในสมณมาราการก็ตั้งใจจะซื้อดอกไม้สี่ตำลึงเหมือนกันคือเก็บไว้ในกระเป๋าส่วนหนึ่งครับสี่ตำลึงอีกสี่ตำลึงไว้ในกระเป๋าข้างหนึ่งเพื่อซื้อดอกไม้ อดีไปพบนายมาลาการกกำลังจัดพัฒตาหารแล้วก็จัดดอกไม้สวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษเพื่อจะไว้องค์สมเด็จพ ร, กกระบรมโลเกเทศและบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเธอก็บอกกัว่าท่านนายสมณะมาลาการวันนี้ฉันต้องการดอกไม้ตามเดิมเจ้าค่ะคือสี่ตำลึง ท่านสมุณนาลาการก็บอกว่าเรื่องดอกไม้เป็นของไม่ยากเตรียมไว้แล้วแต่้ว่าวันนี้องค์สมเด็จพระปัณฑิตแก้วพร้อมบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายซึ่งเป็นพระอาเดยเจ้าทั้งหมดติดตามองค์สมเด็จพระบรมสุคตจะมาฉันปัตตาหารที่บ้านถ้ากระไรแล้วก็เธอช่วยจัดอาหารและดอกไม้ด้วยกันก็แล้วกันกนะเอาบุญนางก็ยอมรับ หลังจากเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาสเสวยพระตาหารเสร็จสมเด็จพระบรมมลกคปเทศก็ส่งสแสดงพระธรรมเทศนาเอะธรรมเทศนาที่สันเดงนีบาลีไม่ได้บอกบอกแต่เพียงว่าเมื่อเทศจบนางขุตุตราก็เป็นปสุดาบัน ถ้าโดยใจความแล้วองค์สมเด็จพระพุทธกวันอาตมาคิดว่าอย่างนี้นะจะต้องเทศเรื่องมรณะนุสติว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายยงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้เราอาจจะตายวันนี้ก็ได้ ดังนั้นก่อนจะตายเพื่อเป็นการป้องกันกรรมที่เป็นอุศนที่ให้ผลเป็นทุกข์ <c oughs> ทุกคนยังเข้าถึงประทัยศสนาคมทางสาธ า, าระการเอือถึงแล้วรพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นดีพึ่งคือไม่สงสัยในความดีของท่านและปฏิบัติตามส่วนที่จะปฏิบัติตามเป็นวาระแรกก็คือหนึ่งหนึ่ง ไม่ฆ่าสัตว์ให้มีจิตเมตตาปราณีไม่ทำลายชีวิตสัตว์ไม่ทรมานสัตว์และความลาบากสองมีจิตสันโดษคือยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบธรรมไม่ยักยอกเงินทองของบุคคลอื่นไม่ลักขโมยเงินทองของบุคคลอื่นและทรัพย์สินของบุคคลอื่นสามซื่อสัตย์ตย่อพัญญาและสา ม, มีไม่นอกใจซึ่งกันและกัน แล้วก็สี่มีวาจาดีคือไม่พูดปดพูดแต่วาจาที่เป็นจริงไม่พูดคำหยาบให้เขาสะเทือนใจไม่ยุโยงส่งเสริมให้บุคคลใดแตกล่ากันเรื่อคือไม่นินทาคนอื่นและพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์วาจาใดอะไรไร้ประโยชน์เราจะไม่พูดและข้อที่ห้าจงไม่ดื่มสุราใดมีไรเพราะเป็นปัจจัยของความประมาท เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าบุคคลใดปฏิบัติได้ตามนี้จะมีความสุขคือสีเลนะสุขติยันติมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นสุขตายไปแล้วก็เป็นสุขสีเลนะภูกระชำมาธามีชีวิตอยู่ทรัพย์สมบัติเยนเนืองนองไม่ขัดข้องในสมบัติตายไปแล้วก็จะมีที่ปสมบัติมากถ้าเกิดเป็นคนก็นำรวยมาก สีเลนนั้นที่ปุตริยันติบุคคลนั้นหลายเหล่านั้นเมื่ออยู่จิตใจก็มีแต่ความสงบม่แต่ร้อนตายแล้วอาจจะเข้าถึงพระนิพพานได้เนี่ยแตมาคิดว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเทศอย่างนี้ตต่บาลีทธาไม่ได้บอกบอกแต่ผลว่าเมื่อจบนางขุตุตระแลอนางสาวคุตุตราเธอได้ประโสูดาปฏิผล เป็นพระอริยะบุคคลเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาหลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับรพระสงฆ์เสด็จกลับไปแล้วนางแก้วขุตทาราก็ถอดเขี้ยวขโมยเ ก, ก็บในกรหมายความที่แรกใส่เขี้ยวขโมยไว้ทั้งสี่เขี้ยวคือข้างล่างสองเขี้ยวข้างบนสองเขี้ยวแล้วก็เจิมเขี้ยวด้งเงิน เขี้ยวละหนึ่งตำลึงสี่เขี่ยววันละสี่ตำลึงแต่ว่ามาฟังเทศจบเธอเป็นบรโสดาบันแล้วนางขุตราก็ถอดทิ้งหมดทั้งสี่เขี่ยววันนั้นขอซื้อดอกไม้จากนายสมนับมลาการแปจกะหาปณ ะ, ะคือแปดตำลึงเมื่อซื้อแล้วก็กลับสู่พระราชฐานกันถึงพ้นนาวสามมาวดีเห็นดอกไม้มาก มากกว่าเก่าเก่าหนึ่งเท่าตัวยังได้ถามนางขุตุตราว่าวันนี้ถราบาทสมเร็จพระเจยอยู่หัวพระเจ้าเทนพระราชสวามีพระราชทานเงินค่าดอกไม้เพิ่มหรือยังไงดอกไม้จึงมากกว่าเก่าถึงเท่าตัวนางสาคขุธุตราจึงกราบทูลว่าพระแม่เจ้า ความจริงพระราชาพระเด็จพระทานค่ข้าดอกไม้มากเป็นกรณีพิเศษคือคงไปทานเท่าเท่ากันทุกวันตามเดิมพี่เจ้าค่าว น, นางสาว ม, มาว ด, ดีจะดนถามว่าก็ทำไมล่ะวันก่อนดอกไม้มันน้อยกว่านี้ครึ่งหนึ่งนี่นะวันนี้เป็นมากเท่าตัวนางขุตรุตราฟังเทศมันแล้วจะองค์สมเด็จพระบัณฑแก้วและเป็นประโสดาบัน พระโสดาบันนี้ทรงศิลบริสุทธิ์บรรดาแต่พุทธบริษัทความจริงพระโสดาบันนี้ไม่มีอะไรมากที่มีบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายมาบอกว่าเคยถามพระว่าพระโสดาบันเป็นยังไงถ้าบอกเป็นยากเหลือเกินยากญาติโยมยากที่จะเป็นได้ก็ขอแนะนําบรรดาญาโยมทั้งหลายตามคติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงตัดว่าพระโสดาบันก็ดีพระสิกขาคามีก็ดีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีสินบริสุทธิ์และได้กล่าวว่าพระโสดาบันกับพระสิกาคามีเป็นผู้ทรงอธิสิงค์คือทรงสินยิ่งพระอนาคามีเป็นผู้ทรงอธิจิตคือมีการมีสมาธิหนักแน่น พระอรหันต์เป็นผู้ทรงปรัญญาคือมีปัญญาฉลาดมากแต่กิเลสเป็นสมุทิตรประหารได้ดันั้นสําหรับครห์วัดที่มีความสําคัญก็คือสิ่งห้าเท่านั้นเองอย่างองค์พระโสดาบันคือคนที่เป็นพระโสดาบันนะเขามีองค์ประจําใจอย่างนี้คืนหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรมรมเคารพพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ แล้วก็สองมีศินห้าบริสุทธิ์สจิตต้องการพันิพานเป็นอารมณ์คือมีรมคิดอยู่เสมอว่าถ้าตายเมื่อไรต้องการพันิพาณเหมือ น, นั้นขึ้นชี่บมอนุษสสโลกเทวโลกและพเมโลกเราไม่ต้องการต้องการนิพานจุดเดียวเนี่ยล ม, ขม์ขาประสดาบันมีเท่านี้เองบรรดาแตนพุทธบริษัท สินห้าห้ามอะไรบ้างสินห้ายังไม่ไห้ามการแต่งงานสินห้ายังไม่ได้ห้ามการกินข้านอกเวลาสินห้าห้ามจะเพียงข้าศัตร์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกรรมห้ามพูดมุสาวาทห้ามดื่มสุรามีไรก็เป็นเหมือนปกติคนดีทั้งหลายนั่นเองรวมความเมื่รวันนางเมื่อวรนนางขุจุตระ ฟังพ น, นางสามาวดีถามว่าวันนี้ดอกไม้ทำไมจึงมากก็กราบภูลตามความเป็นจริงว่าวันก่อนๆหม่อมฉันยักยอกเอาไว้สี่าำลึงเจ้าค่ะนางขุตุตรแอนพนางสาเมาวดีก็ถามว่าทําไมวันนี้ทําไมแม่ามาไว้ล่ะทําไมไม่เก็บทําไมเสื้อหมดทั้งแปดตำลึงนางบอกว่าตอนนี้ไปไม่เก็บแล้วเจ้าค่ะ นางถามว่าทําไมเธอเก็บเธอไม่เป็นลายดอกไม้สี่ตเลึงก็พอเธอบอกพอแล้วเหลือก็ไม่เก็บแล้วเจ้าค่ะนางสามาวดีถามว่าเป็นเพราะอะไรเธอบอกว่าวันนี้ไปพบพระพุทธเจ้าและบรรดาพระอริยสงฆ์นั่งหลายห้าร้อยลูกที่บ้านในสมณมาลาการองค์สมเด็จพระจิตตมานทรงเทพโรรท์มอมฉันมั่น จิตมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์นับถือแน่ไม่ตกลงแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์ตอนนี้ไปไม่เลิกเลิกไม่ทำลายศีนลนด้เจ้าค่ะเพราะว่านางสาวมาวาีกับหญิงห้าร้อยฟังคำว่าพระพุทธเจ้าและ พ, ะพทธเจ้าเทิก็เกิดปีติขนลุกสูดสายมีจำเอือใจเอิบอิ่ม ยังได้ถามว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาทัตพุทธเจ้าเทศย่งไงในเธอต้องว่าให้ฟังทีนางขุตุตรายก็บอกว่าก่อนย้ห้เทศเขาทำอย่างนี้เจ้าค่ะอันดับแรกต้องอาบน้ำก่อนนานสามาวันดีให้นำน้ำหอมมาสิบหกหม้อให้เธออาบแล้วก็นำผ้าสาดดกเนื้อเกลี้ยงมาสองผืนนุ่งหนึ่งผืนห่มหนึ่งผืน ได้กระผูอัสนะให้นางสาวขุจุตรานั่งอาสนะจับพัดหนึ่งเล่มได้ก็แสดงวัธรรมเทศนาได้คล้ายคลึงองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเป็นนางสามาวดีกับหญิงอีกห้าร้อยคนฟังวัธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพุทที่ขุจุตราแสดงฟังจบแล้วทุกคนเป็นประโสะดาปฏิผลน์เหมือนกันหมด ต่างคนต่างก็ก้มกราบองค์สมเด็จพระบรมสุคต์ ท, ท, ทั้งๆที่ม่เห็นพระองค์ต่อมาทุกคนก็บอกกับนางขุิตราว่าแม่เจ้าตอนนี้ไปแม่เจ้าจงตั้งอยู่ในฐานะผู้เป็นแม่ของฉันทั้งหมดไม่ต้องทํางานทําการต่างๆในฐานะคนรับใช้ต่อไปแล้วเขาทั้งหลายเหล่านั้นว่ามีกิจอันใดที่นางขุิตราจะต้องทํา เขาจะทำแทนทั้งหมดเว้นแต่ว่านางขุตรายจะต้องรับภาระอย่างหนึ่งนั่นคือไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังเทศและกลับมาเทศให้ฟั ง, ฟงเท่านี้เองนางขุตรายก็ทำตามนั้นต่อมาธรรมปีติของบวรดาบัรมีมากในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าสายที่อยู่ในรั้วในวังออกไปไม่ได้ นางสาวันมาวดีกับหญิงนั่นหลายยังปรารถขอให้นางคุตตราพาออกนอกวังไปเป้าหาู้แต่เจ้านางคุตตรานี้เป็นคนฉลาดมากยังบอกว่าเรื่องของพระยจาฐานเป็นของยากถ้าอย่าออกย่อมมีความผิดอำนาจมีองค์เดียวคือพระราชาที่จะทรงอนุ ญ, ญาตหรือไม่อนุ ญ, ญาตแต่ถึงกระไรก็ดีถ้าจะไปได้ทีก็แสนลาบาก แต่ปรากฏว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทุกเช้าจะเสด็จไปบ้านเขามาที่ด้านเศรษฐีทั้งสามหรือว่าไปบ้านเศรษฐีทั้งสามอศ ป, ปีหานที่เขาสร้างอยู่ครอบพัดาฉวังด้านหนึ่งบ้เขาอยู่ด้านหนึ่งพระเจ้าตรงเดินผ่านถ้าพระแม่เจ้าทั้งหลายต้องการเห็นสมเด็จพระผู้มีพร ะ, ระภาคจารมาสการด้วยแล้ว ก็เจาะฝาช่องเล็กๆแล้วก็ทําหิ่งวางดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าเวลาที่พระพุทธเจ้าเดินผ่านและพระราหันเดินผ่านก็ยกมือไหว้ด้วยความครบร้อย่างนี้พอก็เป็นอันุวิหิงทั้งหลายเรานั้นได้มีโอกาสได้ชมพระรูปโฉงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด้บรรดาพระอริยสงฆ์ท่านหลายที่ช่องเล็กๆนั่นเองต่อมาวันหนึ่ง มนางมาคณียาจอมจอมตัวดีเดินไปเดินมาก็มาถึงบ้านสายของมนนางสา ม, มาวดีผูนี้จองล้างจองผ่านพระพุทธเจ้ามานานเห็นช่องเล็กๆแต่มีดอกไม้เข้าถามว่านี่ช่องอะไรผู้หญิงผู้นั้นไม่ทราบว่านางมาคณียานี่จองล้างจองผานองค์สมเด็จพระจอมไตรไว้ในการก่อน ยังได้บอกว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจินวนวร์พร้อมด้วยพระสงฆ์เสด็จมาที่นี่เราไม่มีโอกาสที่ออกไปนวสการภายนอกจอกช่องดูท่านแล้วแล้วก็ไหวองค์สมเด็จพระประทีตแก้วระรรดาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนางจอนใจไร้คือมาคันทิอยากคิดว่าดีแล้วเวลานี้พระสมณคดมเข้ามาสู่ที่นี่ดีแล้ว ให้หญิงพวกนี้เป็นสาวิกาคือเป็นพวกของพระสมณโคดมจะรู้ผลที่เราทํากับมันจึงได้จ้างท่าแรรมกรทั้งหลายด่าองค์สมเด็จพระสงฆ์ทันเดินไปบินั บ, บายก็ตามดา่าไปเทศ่ก็ตามดา่าไปพักอยู่ไหนก็ตามดา่าด่าอย่างท่าแตงมกรพระกรรมกรด่ากันแต่ว่าองค์สมเด็จพระสงฆทันไม่ส่งข้อทกเทียน แต่ว่าพระอานนท์นไม่ไหวกระดาบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรขอยหนีไปจากที่เมืองนี้สมเด็จพระมหามณีถามว่าห น, นีไปไหนพระอานนท์ก็บอกว่าเมืองไหนเขาไม่ด่าเราเราไปเมืองนั้นบุงสมเด็จพระทรงทัานถามว่าถ้าเขา ด, ด่าเราทุกทุกเมืองเราจะไปทางไหนพระอานนก็จนใจ สมเด็จพระจอมไตรจรึงได้มีพระพุทธดิกาตัดว่าอานันทะดูก่อนอนนท์อดีกร์คือเหตุที่เกิดกับพุทธเจ้านั่นเกิดได้เพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นไม่เกินเจ็ดวันเรื่องกับสงบถ้าเรื่องเกิดที่ไหนเรื่องร้ายนั้นยังไม่สงบเพียงใดแต่ทาคตจะไม่ไปจากที่นั่นเพราะต ถ, ถาคตเป็นคนบริสุทธิ์อรบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย โดยเวลาเหลือเวลาสามนาทีเศษเรื่องพระองค์สมเด็จพระรามโรกเชิดมีมากก็ต้องยุติไว้ก่อน <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดถึงคติประจำธรรมะผ่านมาแล้วดูที่ว่าแม่แต่องค์สมเด็จพระปรททีพแก้วทรงเกิดมาในชาตินี้หวังความสุขของคนทั้งโลกไปไหนก็ไม่เคยมีเวรมีภัยกับใคร และจะไปเทศที่ไหนก็ไม่เคยปรางลบรงเรงินเรื่องทองจะทรงลำบากยากแค้นพระวรากายเพียงใดถ้าคนใดจะบรรลุมาผลองค์สมเด็จพระพุทธสุคต์ก็ทรงสนเ็จไม่มีค่าจ้างรางวัลทรงมีพระหากรุณาที่คุณนั้นยอดยิ่งยิ่งกว่าบุคคลใดทั้งหมดพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตไม่มีราคะความรักในระหว่างเพศขาดแล้ว ไม่มีโทสะความโกรธไม่มีโมหะความหลงมีแต่ความเมตตาปราณีแต่สมเด็จพระมหาวุณีก็โดนด่าซึ่งซึ่งหน้าเขาตามด่าไม่ว่าที่ไหนนี่แต่บรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเรายังคิดว่ายังจะเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปมันก็เป็นอย่างนี้แม้แต่องค์สมเด็จปิจิณสีดีแสนดียังถูกด่าเราละ่ะ ชาติไหนที่เราไม่ถูกดา่าชาตินั้นแล้วก็สวยแต่ว่าทางที่ดีเลยไปพ้นจากคนดา่าซะเลยดีกว่านั่นคือนิพพานการไปนิพพานกระจูโจมไปมันแสนลำบากยากแค้นจับอา ร, รมณ์ของปโสสาบันไว้ตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นคิดว่าเราทุกคนเราจะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย อันในกรรมเมร่างกายนี้พังมาไรขึ้นชีวิกายเกิดเป็นมนุษย์กด็ดีเป็นเท ว, าวดาก็ดีเป็นพระกด็ดีจะไม่มีสมัหรมบเปล่าแล้วตืนึกถึงความตายไว้เป็นปกติเขารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ใจตั้งตรงในศีล ต, ตามเพศของตอนพระประเ น, นาาินรักษาศีลตามเพศเทววาตรมีศีลห้าบริสุทธิ์ไว้ก่อน หลังจากนั้นก็ใจคบวิตรอนความโลภด้วยจาคานุสติกรมาทานได้การให้ทานทำลายความโกรธด้วยพเิหาสีทำลายความยึดมั่นนี้ด้วยกำลังของปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงอราบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงอารา บ, บันดาเพื่อนพิสูจ น, น์สมเด็จทั้งหลายมองดูเข็มนาฬิกาตรงเวลาเลขก็ดีสัญญาณบอกแล้วว่าเหลืกได้ ตอนนี้ไปขอลาทุกท่านก่อนเขาบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระจินนบวรทุกท่านยังมีแต่ความสุขเสวัสดวิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลปัตนาสิ่งใดเพื่อได้สิ่งนั้นสงความปัฒนาจงทุกประการสวัสดีอุปถาคือบำรุงในสมณบาราการนี้กล่าวกับท่านเถถีทั้งสามว่า กบัยเจ้าเป็นผู้อุ ป, อปการะึือมัเป็นผู้ปฏิบัติท่านทั้งหลายมาตลอดการนานแต่เดีว่าไม่เคยได้ถวายทา น, นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้ากัมมัดาพิสุพิสุส์ทั้งหลายเลยทั้งกบัยเจ้ามีความปรารถนาจะขอพอรจากท่านหรือว่าขออนุญาตจากท่านนีมนสมเด็จพระพิจิตรมานคือพระพุทธเจ้าพรา้อมมรดกสองห้าร้อยรูป รับพัตตาหารที่บ้านสักวันหนึ่งท่านอนุญาตไหมท่านเศรษฐีทั้งสามก็บอกว่าได้ไม่เป็นไร <c oughs> เรื่องการบุญการกุศลนี่ฉันไม่ห้ามฉันพอใจมากที่เธอมีศรัทธาเนั้นวันรุ่งขึ้นในสุมนณมาลาการจึงจัดการพัตตาหารเพื่อบรรดาภิสุทิสงฆ์ทั้งหลาย แล้วก็จัดดอกไม้เพื่อบูชาพระรัตนตรยัยจัดซ ส, สวยงามเป็นกรณีพิเศษก็พอดีทุกๆวันที่บ้านในมาลาการนี้หญิงคนหนึ่งเป็นชาววังมีนามว่าคุตตราหญิงคนนี้เป็นคนที่มีปัญญามากแต่ว่าเป็นสาวเป็นหญิงหลังคมเพราะนางสามาวดีใช้ให้ไปซื้อดอกไม้จากบ้านในสมณมาลาการนี้ทุกวัน แล้วปกติพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์เริ่มบาทเท่าเธอสมพระยจาทานค่าดอกไม้แต่พ น, นางสามาวดีวันละแปดตำลึงคือแปกระหาบัณะถ้าคิดเป็นเงินไทยแปดตำลึงสมัยก่อน